วันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันที่ญาติโยมไม่ต้องทำภารกิจการงานต่างๆจึงใช้เวลาว่างเพื่อมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเราจะถือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นวันพระก็ได้ คำว่าวันพระแปลว่าวันธรรมัสสวาณะวันฟังธรรมธรรมมัสสวาณะแปลว่าการฟังธรรมพระพุทธเจ้าทรงกำหนดวันธรรมมัสสวาณะไว้เดือนละสี่ครั้งด้วยกันในสมัยโบราณเราก็ใช้ปฏิทินทางจันทรคติ ตามการโคจรของดวงดวงจันทร์มีวันเพ็งเวลาพระจันทร์เต็มดวงวันที่พระจันทร์ดับและวันเก่งกลางระหว่างวันเพ็งกับวันพระจันทร์ดับก็มีอยู่สี่วันที่เราเรียกว่าวันขึ้นแดมแปดค่ำสิบห้าค่ำ หรือสสี่ค่ำสมัยโบราณเขายึดปฏิทินจันทรคติเป็นวันหยุดทำงานวันพระก็เลยตรงกับวันหยุดทำงานของศรัทธาญาติโยมแต่ต่อมาในยุคปัจจุบันนี้เราเลิกใช้ปฏิทินทางจันทรคติเราหันมาใช้ปฏิทินสากล ที่นับวันอาทิตย์ละเจ็ดวันมาหยุดที่วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดซึ่งมักจะไม่ตรงกับวันพระทางจันทรคติเือเช่นวันนี้วันเสาร์ก็ไม่ตรงกับวันวันพระของทางจันทรคติวัน ถ้าเรายังถือวันพระตามวันตามปฏิทินจันทรคติอยู่คือเราก็จะไม่ได้มาวัดกันเพราะว่าวันนี้ยังไม่ได้เป็นวันพระพอถึงวันที่เป็นวันพระก็ไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องไปทำงานเราก็จะไม่ได้ มาวัดกันเองเช่นเดียวกันก็ทำให้เราไม่มีโอกาสได้เข้าวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมและมาปฏิบัติธรรมตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ า, านานๆถึงจะมีวันพระที่มาตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์สักครั้งหนึ่งเราถึงจะได้ มาวาดกันเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ากันสมัยนี้เราจึงต้องมีการปรับวันพระของเราขอให้เราถือวันพระนี้เป็นวันหยุดทำงานของเราวันใดวันหนึ่งเราหยุดสองวันแบ่งมา เป็นวันพระหนึ่งวันวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้แล้วก็ไปวัดเพื่อจะได้ไปปฏิบัติธรรมไปฟังเทศฟังธรรมสมัยนี้ถ้าอยากฟังเทศฟังธรรมเพียงอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องมาวัดก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มีการแสดงธรรมบันทึกไว้ คือการแสดงสดผ่านทางสื่อต่างๆที่เราสามารถติดตามได้ตลอดเวลาแต่การที่จะมาปฏิบัติธรรมมาทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ยังต้องมาวัดอยู่ดีเพราะที่ปฏิบัติธรรมที่เหมาะสม ก็คือที่วัดนี่เองถ้าเราปฏิบัติที่บ้านมันก็จะไม่สบปายะเหมือนกับมาปฏิบัติที่วัดคำว่าสบปายะก็คือสบายสะดวกสบายอยู่ที่บ้านบรรยากาศจะไม่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมต่อการรักษาศีลต่อการทําบุญทําทาน ไม่เหมือนกับการมาวัดเป็นสถานที่ที่เอื้อต่อการทำบุญทำทานต่อการรักษาศีลต่อการปฏิบัติธรรมดังนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธที่ปรารถนาประโยชน์สุขที่จะได้รับจากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และการนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเราก็จําเป็นจะต้องกําหนดวันพระขึ้นมาใหม่เอากําหนดวันที่เราหยุดทํางานเป็นวันที่เรามีเวลาว่างแทนที่จะเอาเวลาว่างไปใช้กับการหาความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกาย ซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เราไม่สามารถพึ่งได้ตลอดเวลาเพราะว่าร่างกายนี้ย่อมมีวันเสื่อมลงไปเรื่อยๆย่อมกายย่อมเข้าสู่ความแก่เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและเข้าสู่ความตายตามลำดับต่อไป พอถึงช่วงที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายเราก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายไปหาความสุขได้เหมือนกับตอนนี้ตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงแต่ถ้าเราเข้ามาหาความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ความสุขนี้ไม่จำเป็นต้องอาศัยร่างกายร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายใจของเราก็ยังสามารถผลิตความสุขให้กับเราได้ดังนั้นวันพระนี้จึงถือว่าเป็นวันสำคัญที่เราไม่ควรที่จะ ไม่เหลียวแลวไม่ให้ความสำคัญวควรจะมีวันพระอยู่ประจำใจมีวันพระอาทิตย์ละหนึ่งครั้งแล้วก็ไปวัดไปศึกษาถ้ายังไม่รู้ว่าวิธีการปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรก็ไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรม ไปวัดก็ดีตรงที่ฟังทำแล้วไม่เข้าใจก็สามารถถามได้ถามให้กระจ่างเพราะว่าการจะปฏิบัติให้ได้ผลนี่จะต้องเข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้ผลถ้าไม่เข้าใจก็ต้องถามฟังแล้วบางทีก็ไม่เข้าใจ ก็ถามได้ถามไปจนกว่าจะก่อความเข้าใจแล้วค่อยนำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วความสุขทางใจก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีคนประโยชน์อย่างไรมีคนประโยชน์ก็คือ สอนให้เรารู้จักวิธีผลิตความสุขขึ้นมาในใจของเราโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งสิ่งต่างๆมาผลิตความสุขให้กับเราตอนนี้เราไม่รู้จักวิธีผลิตความสุขภายในใจด้วยใจเราต้องอาศัยวิธีผลิตความสุขในใจด้วยการไปพึ่งสิ่งต่างๆพึ่งร่างกาย เป็นเครื่องมือพึ่งสิ่งต่างๆให้ร่างกายไปไขว้คว้ามาไปหามามาเสกมาสัมผัสสิ่งที่ร่างสิ่งที่จะมาให้ความสุขกับเราผ่านทางร่างกายก็คือกามาคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสกับทางร่างกาย ที่เรียกว่าผลทพะเราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะกันอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่ใจเราก็ไขว่คว้าหารูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะมาตลอดโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะมาให้ใจได้เสพได้สัมผัสให้เพลิดเพลินให้มีความสุขไปกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอันนี้เราต้องใช้ร่างกายต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะแต่บางเวลารูปเสียงกลิ่นรสผลพะ ท, ที่เราอยากจะเสพก็อาจจะไม่มี เวลาไม่มีมันก็ทําให้ใจเราเศร้าหรือเวลาที่ร่างกายของเราไม่สบายเราก็ไม่สามารถใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพระมาเสพได้เวลานั้นก็เป็นเวลาเศร้าเวลาเหงาเวลาว้าเหวี่นี่คือวิธีการ หาความสุขที่ผ่านทางร่างกายเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปหายไปต้องหามาอยู่เรื่อยๆเพราะรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะที่หามาได้นี่เขาจะอยู่กับเราไม่นานไม่ถาวรไม่ไปไม่ตลอด บางทีก็อยู่นานบางอย่างก็อยู่นานหน่อยบางอย่างก็อยู่ไม่นานแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะทำให้รูปเสียงกิดรดที่เราได้มานั้นอยู่นานหรือไม่นานแต่ที่แน่นอนก็คือจะต้องมีการพัดพากจากกันไปในที่สุดตอนที่เราต้องพัดพากจากรูปเสียงกิดลดผลทพะ ตอนนั้นใจของเราก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีแต่ความทรมานใจแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มาศึกษาได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เรามาหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องใช้ข้าวของเงินทองไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสผดธพะถ้าเรามาเรียนรู้วิธีแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติต่อไปเราก็จะได้พบกับความสุขที่แน่นอนกว่าที่ยั่งยืนกว่า เพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆพึ่งสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราที่ตอนนี้เรายังมีไม่มากมีน้อยอยู่แต่เราสามารถเพิ่มมันขึ้นมาได้ด้วยการปฏิบัติสิ่งที่พระเจ้าสอนให้พวกเราสร้างขึ้นมาเพื่อมาผลิตความสุขให้กับเรา ก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองตอนนี้ศีลของพวกเรายัางมีน้อยศีลห้านี้ไม่รู้ว่ารักษากันได้กี่ข้อรักษากันได้กี่วันสมาธินั่งกันได้สักกี่นาทีปัญญาเห็นไตรักได้สักกี่ครั้งเห็นได้บ่อยหรือเห็นไม่ได้บ่อย อันนี้เป็นเครื่องมือที่จะมาผลิตความสุขภายในใจให้กับเราถ้าเราอยากจะมีความสุขแบบยั่งยืนแบบที่ไม่วุ่นวายแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาสายสิ่งต่างๆเราจำเป็นจะต้องมาผลิตศีลให้มีมากขึ้นผลิตสมาธิให้มีมากขึ้นผลิตปัญญาให้มีมากขึ้น เมื่อเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราจะสามารถผลิตความสุขภายในใจให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานี่คือเป้าหมายของการหาความสุขของชาวพุทธเราต้องหาความสุขตามคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าได้ส่งหาความสุขแบบนี้มาแล้วได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดคำว่าตลอดนี้ก็คือไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจ ที่มาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขใจนี้ไม่มีวันตายไม่มีอายุเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้มีอายุไม่เกินร้อยปีส่วนมากไม่เกินร้อยปีก็ต้องตายแต่ใจนี้อยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันตายความสุขที่สร้างขึ้นมาในใจ ก็จะอยู่กับใจไปเรื่อยๆนี่แหละคือความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็ทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเราถ้าได้ยินได้ฟังแล้วมีศรัทธาอยากจะได้ความสุขแบบนี้เราก็ต้องปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องพยายามรักษาศีลให้ได้นั่งสมาธิให้ได้ให้รู้จักว่าปัญญาคืออะไรและใช้ปัญญาให้เป็นใช้ปัญญามาสร้างความสุขให้กับใจถ้าเราไม่เข้าวัด ไม่เข้ามาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าเราจะสร้างศีลขึ้นมาอย่างไรศีลยของเรามีอย่างไรก็มีอย่างนั้นไม่ค่อยมีความเจริญก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักวิธีสร้างศีลนั่นเองเรายัางมักจะทำอะไรผิดศีลอยู่เรื่อยๆสาเหตุที่ทำให้เราทำอะไรผิดศีลนี้เพราะอะไร เพราะความอยากที่เราจะาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เองความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันเป็นความสุขที่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหรือใช้สิ่งต่างๆเป็นเครื่องมือใช้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องไปหามา วิธีหาที่ง่ายที่สุดก็คือหาด้วยเงินทองเราจึงต้องทุ่มเทเวลาของชีวิตเราให้กับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแต่เราไม่รู้ว่าการใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันจะ ต้องใช้เงินทองเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพราะว่ามันจะทำให้เรามีความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายมากขึ้นไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> มันก็จะทำให้เราต้องดิ้นรนหาเงินหาทองให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> แล้วถ้าเรา เพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินทองเราก็จะไม่มีเครื่องมือซื้อความสุขให้กับเราและบางทีการหาเงินทองโดยวิธีที่ถูกต้องคือถูกกฎหมายหรือถูกศีลธรรมไม่พอให้ไม่ไม่สามารถให้เงินทองให้กับเราใช้ได้อย่างเพียงพอเพราะเราต้องการใช้มากกว่าที่เรา หาได้เงินเดือนที่เราได้ไม่พอใช้บางทีเราก็เลยต้องไปทำบาปกันทำบาเพื่อจะได้เงินทองมาเพิ่มเช่าโกงลักทรัพย์คอร์รัปชันโกหกหลอกลวงนี่นี่เป็นการกระทำบาปนี่เป็นเหตุว่าทำไมพวกเราจึงไม่สามารถรักษาศีลห้ากัน ได้ครบบริบูรณ์เพราะเรายังต้องอใช้การกระทำบาสนี้เป็นวิธีหาความสุขให้กับเร า, าแต่ถ้าเรามาควบคุมความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอขอให้เราเข้าใจว่า ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแม้ว่าจะใช้เงินมากใช้เงินน้อยมันก็ได้ความสุขแบบเดียวกันได้ความสุขเดียวเดียวเหมือนกันสมัยเด็กๆเราก็หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็มีความสุขเหมือนกับสมัยนี้เราก็หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเหมือนกัน แต่จำนวนเงินที่เราใช้กับการหาความสุขนี้มันต่างกันมันมากขึ้นไปเรื่อยๆเราต้องซื้อของแพงขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะมีความสุขสมัยเด็กๆเราใช้ของถูกๆเราก็มีความสุขได้แต่พอสมัยเราโตขึ้นเราสามารถหาเงินเพิ่มขึ้นมาได้เราก็เลยต้องไปหาความสุขที่ราคาแพงขึ้นไป เพาะฉะนั้นสิ่งที่เราควรที่จะทําก็คือเราต้องตั้งกรอบของการหาความสุขด้วยเงินทองว่าต้องหาในกรอบของรายได้ที่เราหามาได้เราหามาได้เท่าไหร่เราก็แบ่งเงินไว้เป็นส่วนๆ ส, ส่วนที่เราต้องใช้กับปัจจัยสี่ เพื่อเลี้ยงดูร่างกายเราก็ต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือเราก็เอาไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายอย่างนี้มันก็จะทำให้เราพอที่จะรักษาศีลได้แต่ก็จะรักษาศีลในระดับต้นศีล น, นี้มีหลายระดับด้วยกันนอกจากศีลห้าแล้วยังมีศีลแปดศีลสิบ ศีล227เองในการที่จะสร้างความสุขทางใจเราจาเป็นที่จะต้องมีศีลให้มากขึ้นไปตามลำดับแต่ในเบื้องต้นนี้ขอให้เราเริ่มที่ศีลห้ากันก่อนด้วยการควบคุมรายจ่ายให้มันพอเพียงกับพอกับรายรับอย่าให้มันใช้มากกว่ารายรับ แล้วมันจะทำให้เราไม่ต้องไปทำบาป ก, กันหรือทำน้อยลงแล้วถ้าเราอยากจะให้เรารักษาศีลได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นเราก็ต้องใช้ให้มีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับเออพยายามหักข้ามจิตใจในการไปสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายให้มันน้อยลงให้มัน ไม่บ่อยมากขึ้นนานๆทักครั้งแทนที่จะไปเที่ยวทุกวันนี้เอาแค่วันสองวันแทนที่จะไปะซื้ออะไรต่างๆเป็นประจำอาจจะลดมันลงครึ่งหนึ่งอ ะ, อะไรทำนองนี้แล้วถ้าเราอยากจะให้ใจเรามีความสุขเราก็เอาเงินที่เราลดจากการใช้จ่ายนี้ ที่ไปซื้อความสุขต่างๆนี้ไปใช้กับการทำบุญทำทานเพราะการทำบุญทำทานนี้จะให้ความสุขที่ดีกว่าจากการที่เราไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความสุขแบบควันไฟได้มาปั๊บแล้วมันก็หมดไปไปเที่ยวมาแล้วกลับปะกับ กลับมาบ้านมันก็หายไปหมดปล่อยให้เราเหลือแต่ความอยากไปเที่ยวใหม่แต่ถ้าเราเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้ไปทำบุญแทนเวลาเรากลับมาบ้านจากการทำบุญเราจะยังรู้สึกอิ่บเอิบใจสุขใจอยู่แล้วมันจะทำให้เราลดความอยากไปเที่ยวได้ลดความอยากที่จะไปใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายลงไปได้ แล้วมันจะทำให้เราไม่ต้องดิ่นลนในการหาเงินหาทองมากจนเกินไปและไม่ต้องไปทำบาปในการหาเงินหาทองถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆเอาเงินทองที่เราไปซื้อความสุขทางตาหูจม ok ูกนิ้นกายมาใช้กับการทำบุญทำทาน ต่อไปความอยากจะใช้เงินทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็จะหายไปหมดแล้วเราก็จะมีเงินทองเหลือเฟือเราก็อาจจะลดการหาเงินหาทองลงเพราะเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาเงินใช้เงินเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราจะได้มีเวลาว่างมามาวัดบ่อยขึ้น มาศึกษามาปฏิบัติธรรมมากขึ้นเพราะนอกจากการรักษาศีลแล้วเรายัางต้องมีเวลามานั่งสมาธิมีเวลามาศึกษาให้เกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้ต้องอาศัยการมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆถ้าเราต่อไปสามารถ หาเงินเพื่อมาเฉพาะแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ต้องหาเงินเพื่อมาใช้กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็อาจจะไม่ต้องทำงานห้าวันต่ออาทิตย์ก็ได้เราอาจจะทำงานแค่วันสองวันเราก็จะได้มีเวลาไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมไปศึกษาธรรม ไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาได้ตอนนี้สาเหตุที่เราไม่มีเวลาเข้าวัดกันก็เพราะว่าเราเอาเวลาไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอาเงินทองไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันนั่นเองเราเลยไม่มีเวลาเข้าวัดแล้วเราก็ไม่ไม่สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ พอเวลาที่ต้องการหาเงินมากมันก็บังคับให้เราบางทีต้องโกหกบ้างบางทีต้องช่อโกงบ้างหรือโกหกกับคนนั่นคนนี้ก็เรายังอยากจะหาความสุขจากเขาอยู่ถ้าเราไปพูดความจริงเขาอาจจะทิ้งเราหรือเขาอาจจะไม่อยู่กับเราเราก็เลยต้องโกหกเพื่อไม่ให้เขาทิ้งเราอันนี้ เป็นเพราะว่าเรายัางอาศัยการหาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้จากคนนั้นคนนี้อยู่บางทีเราก็ต้องโกหกหรือบางทีก็ต้องขโมยเพื่อให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาหรือเพื่อไม่ให้เสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหรือบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไปเราก็เลยยังไม่สามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์นั่นเองแต่ถ้าเรามาหาความสุข จากการทำบุญทำทานจากการมาฝึกสมาธิทำใจให้สงบพอเราเริ่มมีความสุขทางใจถึงแม้จะไม่มากเราก็จะลดการหาความสุขทางร่างกายได้เมื่อเราลดการหาความสุขทางร่างกายได้เราก็จะสามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้มากขึ้น และสามารถรักษาศีลให้เพิ่มมากขึ้นไปได้จากศีลห้าเราก็จะขึ้นไปสู่ศีลแดได้ทำไมเราจึงต้องรักษาศีลแปดทำไมรักษาศีลห้าอย่างเดียวไม่พอเลยถ้าเราต้องการที่จะมาฝึกสมาธิมาปฏิบัติธรรมมาทำใจให้มีความสุขเต็มที่เราจาเป็นที่จะต้องอาศัยศีลแปด เพราะศีลห้าไม่สามารถสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมของเราได้นั่นเองศีลห้านี้จะไม่ห้ามให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้วกายเพียงแต่ห้ามไม่ให้หาโดยวิธีทำบาปไม่ให้หาโดยวิธีสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นแต่ถ้าเราถือศีลแปนี้ เราจะไม่สามารถไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เมื่อเราไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะมีเวลาว่างมีเวลาว่างที่จะมาฝึกสมาธิกันมามาสร้างความสุขทางใจกันนั่นเองถ้าเราไม่ถือศีลแปดเราก็จะไม่มีเวลาเราก็จะไปเที่ยวกันได้ สีหห้าไม่ห้ามไม่ให้เราไปเที่ยวกันไปเที่ย ว, ไ, ยวได้ไปกินอาหารคําได้ไปงานเลี้ยงได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนได้การทำกิจกรรมเหล่านี้ก็ต้องใช้เวลาเวลาในแต่ละวันเราก็มีจากัดมีแค่ยี่บสี่ชั่วโมงครึ่งหนึ่งแล้วก็แบ่งให้ไปกับการหากินหาอยู่หลับนอน ส่วนในเครื่องหนึ่งนี้ถ้าเราเราก็าไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเราก็เลยแทบจะไม่มีเวลามาหาความสุขทางใจกันอาจจะมีเวลาบ้างถ้าเราถือศีลห้าเราก็ไม่ไปอยู่วัดถ้าเราไม่ไปอยู่วัดถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิที่บ้านเราก็อาจจะนั่งได้แค่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเป็นอย่างมาก เราจะไม่สามารถมานั่งสมาธิได้หลายๆายชั่วโมงถ้าเราไม่ถือศีลแปดไม่มาอยู่วัดงั้นการมาอยู่วัดนี้ท่านจะบังคับให้เราถือศีลแปดกันเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปทำกิจกรรมทางตาหูจมูกนิ้วกายไม่ไปดูหนังฟังเพลงไม่ไปดูละครหรือไม่ไปดูอะไรต่างๆที่มีอยู่ในมือถือ มือถือนี้เอาไว้ใช้โทรสา์อย่างเดียวเอาไว้ใช้ติดต่อกันในเวลาจำเป็นแต่ไม่ให้ใช้เป็นเครื่องบันเทิงไ ม, ไม่ให้เป็นเหมือนกับลงมหระพมือถือทุกวันนี้เหมือนเหมือนลงละครเหมือนลงภาพยนตร์เดี๋ยวนี้เปิดมือถือนี้ก็เหมือนกับเข้าลงภาพยนตร์เข้าลงละครดันั้นเราต้อง ง, งับกิจกรรมเหล่านี้ ถ้าเรามาอยู่วัดนี่เราควรจะเลิกใช้มือถือในทางบันเทิงในทางมหรัรรพใช้มบือถือเฉพาะกับกิจกิจกิจที่จำเป็นเพื่อเจ็บไข้หน่ป่วยเพื่อจะต้องอไปโรงพยาบาลหรือเพื่อที่จะมีเหตุการฉุกเฉินอะไรใช้ในเรื่องที่จำเป็นจริงๆเท่านั้น เพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเราจะได้รู้วิธีทำใจให้สงบทำใจให้มีความสุขนี้ทำอย่างไรเราต้องฟังเทศบ่อยๆฟังเทศอยู่เรื่อยๆเพราะว่าการที่จะทำใจให้สงบนี้มันมีขั้นตอนที่เราจะต้องเรียนรู้กันถ้าเราไม่เรียนรู้แล้วเราทาไปแบบไม่รู้เรื่อง ทำไปผลก็จะไม่เกิดและอาจจะเกิดโทษขึ้นมาก็ได้ที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าคนไปปฏิบัติธรรมแล้วเป็นบ้ากันก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรเหมือนกับขับรถโดยที่ไม่ไปเรียน ขับเห็นเขาขับก็หัดขับพอขับได้ก็ออกไปขับตามท้องถนนแต่ขับโดยไม่รู้กฎจราจรเดี๋ยวก็ต้องเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเพราะไม่ได้เรียนรู้รายละเอียดแบบครบถ้วนบริบูรณ์อาจจะรู้บ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปทำทาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเกิดปัญหาตามมา การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันที่ปฏิบัติแล้วเป็นบ้ากันไปก็เพราะว่าไม่ได้ศึกษารายละเอียดมากพอนั่นเองอาจจะรู้นิดๆหน่อยๆนั่งสมาธิให้หลับตาแล้วก็พุทโธ ร, รู้แค่นี้แล้วก็ไปนั่งแต่พอไปนั่งจริงๆแล้วไม่ได้พุทโธหลับตาแล้วก็ปล่อยให้จิตปรุงแต่งขึ้นมาปะเิสิ่งต่างๆขึ้นมาในจิต แล้วก็เป็นหลงคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาจนกลายเป็นคนบ้าไปได้นี่คือการที่ไม่ได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติอย่างละเอียดเพราะใจอาจจะคิดว่าไม่สำคัญอาจจะคิดว่ารู้แล้วนั่งหลับตาพุโทโธอย่างเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งเวลานั่งมันไม่ได้พุโทโธอย่างเดียว เราบางทีนั่งแล้วพุดโทได้สองสามคำใจมันก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไปคิดถึงเรื่องนั้นไปคิดถึงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวพอมีอะไรปรากฏขึ้นมาในใจก็วาดภาพไปแล้วว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเป็นสวรรค์ชั้นนั้นแล้วเป็นสวรรค์ชั้นนี้แล้วเป็นฌานชั้นนั้นเป็นฌานชั้นนี้นเป็นพระอริยบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้ไปแล้วคิดไปเองมันไม่ได้เป็นการ มันเป็นไม่ได้เป็นความจริงของจิตแต่เป็นความคิดของจิตไปเองปรุงแต่งไปเองเท่านั้นเองหรือไปเจอภาพที่ไม่น่าดูก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอาจจะไม่กล้านั่งต่อไปนี่เพราะว่าไม่ได้ศึกษาวิธีการนั่งที่ถูกต้องว่านั่งอย่างไรแล้วจะปลอดภยัย เหมือนกับขับรถอย่างไรถึงจะปลอดภัยเพียงแต่รู้ว่าขับเป็นขับได้รู้ว่าเหยียบเกียร์เหยียบเยบรกบได้ตัดท้ายรถได้ก็ขับเหมือนเด็กที่ขโมยรถไปขับเห็นผู้ใหญ่เขาขับก็คอยดูว่าเขาขับอย่างไรงเขาใช้กุญแจเขาส ต, าตาดัดทายรถเหยียบน้ํามันเข้าเกียร์มีเพลิงมาเลยก็ไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าก็มีกด จราจร อ, อย่างไรขับต้องขับอยู่ด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาถึงสี่แยกไฟแดงไฟเขียวต้องทำอย่างไรถ้าไม่รู้กฎระเบียบต่างๆเดี๋ยวก็ต้องไปชนกันไปเกิดอุบัติเตุอันนี้ต้องมีเวลาศึกษาพระทรรมคำสอนอย่างต่อเนื่องเรียนแล้วก็ลองเอาไปปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วเกิดผลอย่างไรก็ไปเปรียบเทียบไปสอบถามดูว่าถูกไหมถ้าไม่ถูกก็จะได้แก้ไขปรับปรุงใหม่ให้มันถูกอันนี้เป็นต้องใช้เวลาต้องอยู่ใกล้กับผู้ที่สั่งผู้ที่สอนแต่ไม่ต้องนั่งกับผู้สั่งผู้สอนเวลานั่งเวลาปฏิบัติเราไปปฏิบัติของเราเองแต่เวลา มีคำถามในใจไม่ไม ม, มั่นใจว่าทำอย่างนี้ถูกหรือไม่ออก็ต้องไปสอบถามหรือไม่ก็ไปฟังธรรมต่อการฟังธรรมแต่ละครั้งก็จะมีประเด็นแปลกๆใหม่ๆให้เราได้ยินได้ฟังกันออหรือถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมก็สามารถที่จะอ่านหนังสือธรรมะก็ได้ หรือฟังธรรมที่ได้มีการบันทึกเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ได้อันนี้การฟังธรรมนี้จาเป็นเพราะว่าเรายังไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต้องฟังต้องศึกษาไปแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติแบบนี้ได้ผลแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องเราจะต้องปรับกระบวนการอย่างไรอันนี้ต้องมีเวลาดงั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือต้องมีเวลาไปปฏิบัติกันเราต้องลดเวลาทำงานทำการหาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้น้อยลงไปวิธี ที่เราจะทํำก็คือเวลาที่เราจะอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินทองก็เอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขนี้ไปทําบุญอันนี้ก็เป็นการซื้อความสุขอีกรูปแบบหนึ่งแต่เป็นความสุขที่ดีกว่าที่ปลอดภัยเพราะความสุขที่เราใช้เงินทองซื้อผ่านทางตาหูจมูกลิน้นกายโดยการซื้อข้าวซื้อของต่างๆหรือด้วยการไปดูไปฟัง ไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี่มันจะทําให้เราหิวอยู่เรื่อยๆอยากอยู่เรื่อยๆไม่ทําให้เราอิ่มเป็นความสุขที่ไม่อิ่มเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วก็จะทําให้เกิดความหิวความอยากที่จะหาความสุขแบบนี้ต่อมันก็จะทําให้เราต้องดินน้นรนหาเงินมาซื้อความสุขเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะทําให้เราไม่มีเวลาว่าเวลาจะ กับจะทําให้เราต้องทํางานมากขึ้นเพราะเมื่อเราซื้อความสุขแบบนี้มาแล้วมันก็ทําให้เราอยากจะซื้อความสุขที่มีราคาแพงขึ้นกว่านี้ตอนต้นซื้อรถยนต์ก็ซื้อราคาถูกๆรถกเก่าก็ยังดีรถมือสองก็เอาพอเริ่มมีเงินทองเพิ่มมากขึ้นรถรถมือสองก็ขับไม่ได้แล้วต้องซื้อรถใหม่เพราะมีเงินพราะหาเงินได้มากขึ้น พอหาเงินได้มากก็อยากจะใช้ของที่ดีขึ้นของที่มีราคาแพงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้เรายิ่งต้องหาเงินมากขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะมีเวลาว่างเข้าวัดกลับจะไม่มีเวลาว่างเลยแต่ถ้าเราระ ง, งับการใช้เงินแบบนี้ใช้มันไปของเก่าของอะไรพอใช้ได้ก็ใช้มันไปแล้วเอาเงินนี้ไปทำบุญดีกว่า เวลาเราเอาเงินไปทำบุญนี้ใจเราจะอิ่มแล้วใจเราจะาเลิกใช้เงินทองซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ในลําดับต่อไปทุกครั้งที่เราอยากจะใช้เงินไปกับการซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เอาไปทำบุญแทนเราก็ได้รับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่อิ่มความสุขที่จีรังกว่านานกว่า ความสุขที่เราได้จากการทำบุญนี่ถึงแม้เราเคยทำไปแล้วหลายวันพอเราคิดถึงมันมันก็ยังทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวพอคิดถึงการไปเที่ยวแทนที่จะมีความสุขจากการไปเที่ยวกับมีความทุกข์เพราะอยากจะไปเที่ยวใหม่แต่ยังไม่มีเวลาหรือยังไม่มีเงินทองไปเที่ยวคิดถึง ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็ทำให้เรากลับทุกข์ขึ้นมา น, นี่คือวิธีการที่จะใช้เงินเพื่อให้ไม่มาทำลายเราใช้เงินเพื่อมาให้เรามีความสุขแล้วก็ทาใหเราลดความหิวความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายลงไปได้เมื่อเราทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไป ความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขทางตาหูจมูกนินก้วมือมันก็จะเบาลงไปและหมดไปมันก็จะทําให้เราเห็นว่าเอเราไม่ต้องหาเงินมากเหมือนเมื่อก่อนนี่เลยเดีย๋ยวนี้เราไม่เที่ยวเราไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยเราไม่ซื้อของไม่จําเป็นต่างๆของจําเป็นเราก็มีพอเพียงอยู่แล้วเราทํางานหาเงินมาไปทําไมสู้เราเอาเวลาไปวัดไม่ดีกว่าเลย เราลดการทํางานลงไม่ดีกว่าเลยเอาเวลาไปอยู่วัดไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมไม่ดีกว่าเนี mm ่ย hmm. อันนี้เป็นกระบวนการขั้นแรกของการที่เราจะเข้าสู่การสร้างความสุขทางใจได้เราต้องเลิกหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือลดให้มันน้อยลงไป mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินหาทอง เพื่อมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกลื่นกายนี้แล้วเราก็จะได้มีเวลาเข้าวัดได้เข้าวัดไปฟังเทศฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมไปรักษาศีลแปดกันได้ตอนต้นก็รักษาศีลห้ากันก่อนด้วยการใช้เงินให้อยู่ภาย ใ, ายายายในกรอบของรายได้ของเราอย่าใช้เงินมากกว่าที่เราหาได้ โดยวิธีสุดจริตเราก็จะไม่ต้องไปทำบาปแล้วต่อไปเราก็จะลดด้วยการเอาเงินทองที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้เอาไปทำบุญทาทานเราก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ที่อิ่มกว่าที่ไม่ได้ทำให้เราหิวไม่เหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้งกายที่จะทำให้เราหิวเราอยากกับการหาความสุข ทางตาหูจมูกเลื่นกายไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะลดการใช้เงินทองได้เมื่อเราลดการใช้เงินทองได้เราก็จะมีเวลาว่าเราไม่ต้องหาเงินทองมากเหมือนเมื่อก่อนเราก็จะได้มีเวลาไปวัดไปรักษาศีลแปดไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เรารู้จักวิธีทําใจให้สงบสร้างความสุขขึ้นมา ให้กับใจความสุขของใจนี้เกิดจากการทำใจให้สงบและสิ่งที่จะทำใจให้สงบได้ก็คือสติสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์สตินี้จะเป็นตัวเบรก ค, ความคิดต่างๆความคิดนี้ทำให้ใจไม่สงบถ้าอยากจะให้ใจสงบต้องหยุดคิดการจะหยุดคิดได้ก็ต้องมีสติ สติคือผู้ที่รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่แล้วหยุดมันได้หรือเปล่าถ้ารู้ว่าคิดอะไรอยู่แต่หยุดไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีกำลังสติคือผู้ผู้คอยดูว่ากำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าคิดแล้วหยุดมันได้ก็เรียกว่ามีสติแต่ถ้าคิดแล้วหยุดมันไม่ได้อันนี้แสดงว่าไม่มีสติเหมือนรถยนต์พอวิ่งไปแล้วพอจะให้มันหยุด อย่าเบรกแล้วมันไม่หยุดก็สแสดงว่าเบรกเสียก็ต้องไปซ่อมเบรกจันใดถ้าเรารู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่แล้วเราต้องการหยุดมันแต่เราหยุดมันไม่ได้สแสดงว่าเราไม่มีกำลังสติเราไม่มีกาลังพอที่จะหยุดความคิดเมื่อไม่มีกำลังเราก็สร้างมันขึ้นมาได้สร้างให้มันมีกำลังหยุดความคิดได้ วิธีสร้างสติก็คือการใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมาควบคุมใจให้ใจอยู่กับอารมณ์นั้นเพียงอย่างเดียวอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ทางภาษาพระท่านเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ที่เราเอามาใช้ในการสร้างสติกันกรรมฐานนี้มีอยู่สี่สิบอารมณ์ด้วยกันที่เราเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมต่อ ต่อความถนัดของเราต่อสภาพแวดล้อมต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนกรรมฐานบ้างเหมือนกับขับรถยนต์นีีเราก็ต้องมีการเปลี่ยนเกียร์บ้างบางทีก็ต้องใช้เกียร์สูงบางทีก็ต้องใช้เกียรย์ต่ําบางทีก็ต้องใช้เกียร์ถอยหลังบางทีก็ต้องใช้เกียร์ว่างขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เวลาที่เราขับรถ มันต้องใช้เกียร์อย่างไรเช่นขึ้นเขามานี่ก็ต้องใช้เกียร์ต่ำแต่ถ้าอยู่บนถนนพื้นราบถนนว่างสามารถวิ่งได้เร็วก็ใช้เกียร์สูงถ้าต้องกลับรถก็จะต้องถอยหลังเข้าเกียร์ถอยหลังถ้าต้องการจอดรถก็ต้องเข้าเกียร์ว่างอย่างนี้เป็นตน้นใจของเราก็มีสภาพเหมือนรถยนต์ บางทีก็ต้องใช้กรรมฐานแบบนี้บางทีก็ต้องใช้กรรมฐานแบบนั้นเจนเวลาที่เรานั่งเฉยๆนั่งสมาธินี้เราก็ใช้การเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกเรียกว่าอานาปณะสติให้มีสติอยู่กับอนาปณะอนาปะอนาปณะแปลว่าลมเข้าลมออกนี่เองให้เราดูลมเข้าลมออกให้เรารู้เฝ้าดูลมอย่างเดียว ถ้าเราเฝ้าดูลมอย่างต่อเนื่องเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราไปคิดก็แสดงว่าเราเผลอเราไม่ได้อยู่กับลมเราก็ต้องดึงใจให้กลับมาอยู่กับลมต่อดึงให้อยู่กับลมเวลามันจะไปคิดอะไรก็ดึงมันกลับมาให้อยู่กับลมต่อไปมันก็จะคิดไม่ได้พอมันไม่คิดใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้รวมเป็นหนึ่งคือเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ ตัวคิดหายไปเหลือแต่ตัวรู้ปกติจะมีสองตัวมีตัวรู้กับตัวคิดตัวรู้รู้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่แต่ถ้าเรามีสติเราหยุดความคิดได้ก็จะเหลือแต่ตัวรู้ตัวรู้ก็จะสงบเย็นสบายเกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราจะได้จากการไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสร็จ พอเราไดา้ได้สัมผัสกับความสงบแบบนี้แล้วเราก็จะเลิกการหาความสุขได้มากขึ้นไปเรื่อยๆความยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้มันก็จะน้อยลงไปแต่มันก็ยังจะไม่หมดเพราะว่าการที่เราหาความสุขการทำใจให้มีความสุขด้วยการใช้สตินี้มันเป็นความสุขชั่วคราว เวลาที่เราสติของเราอ่อนกาลังลงจิตมันก็จะถูกความอยากดึงให้ออกมาจากสมาธิให้ออกมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อตอนนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญามาคอยสอนใจว่าการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ทำให้เราไม่อิ่มไม่พอ จะไม่หิวให้อยากอยู่เรื่อยๆต่อให้หามาได้มากน้อยเพียงไรก็จะต้องหาไปเรื่อยๆหาไปจนวันตายแล้วตายแล้วยังไม่จบตายแล้วยังต้องไปหาใหม่ไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ <S <S มก็จะนําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆอยังไม่มีวันสิ้นสุดการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันก็ไม่ดีเกิดแล้วมันก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกัน <S <S ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจแบบนี้ให้คอยหักห้ามจิตใจอย่าไปทำตามความอยากเวลาที่ออกจากสมาธิมาถ้ามันทนไม่ไหวก็ให้ใจกลับเข้าไปในสมาธิดีกว่ากลับไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกแทนพอเราฝืนความอยากได้บังคับให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้ต่อไปความอยากที่จะมาดึงให้เราไปดิ้นรนไปหา ความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆมันก็จะน้อยลงไปและหมดไปในที่สุดต่อไปก็จะไม่มีความอยากมารบกวนใจมาดึงให้เราต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะเมื่อไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเหมือนกับอยู่ในสมาธิแต่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ เพราะความอยากที่เป็นตัวก่อกวนความวุ่นวายใจต่างๆมันหมดไปมันหมดกำลังไปใจของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอดอันนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติทำไมเราจึงต้องเริ่มที่ศีลก่อนทำไมเราต้องเริ่มที่ทานก่อนเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นขั้นบันไดที่เราจะต้อง ไต่เต้าขึ้นไปทำทานเพื่อให้เราได้มีเวลามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลเพื่อให้เรามีเวลามาปฏิบัตินั่งสมาธิมาเจริญปัญญานั่งสมาธิเจริญสติเพื่อทําให้ใจสงบให้มีความสุขแล้วพอใจมีความสุขก็ใช้ปัญญาให้คอยกําจัดความอยากที่จะมาคอยทําลายความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจ ให้ให้ความอยากมันหมดไปพอความอยากหมดไปแล้วใจก็จะสงบจะสุขไปตลอดโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินะนี่คือเป็นขั้นบันไดเหมือนกับการเรียนหนังสือจำเป็นจะต้องเรียนจากขั้นเริ่มต้นไปก่อนจะไปกระโดดเข้าไปพอจะ เรียนเริ่มเรียนก็ส่งไปเรียนชั้นมัธยมเลยนะไปสมัครเรียนมัธยมหนึ่งเรียนไม่ได้ถ้ายังไม่จบป .6 ถ้ายังไม่จบระดับปถมเดีย๋ยวนี้แม้แต่ปถมก็ยังไม่ให้เข้าเลยต้องให้ผ่านขั้นอนุบาลก่อนมันเป็นขั้นบันไดเป็นการเรียนรู้ที่จากง่ายไปสู่ยากนั่นเองการทำทานมันง่ายกว่าการรักษาศีล การรักษาศีลห้าก็ง่ายกว่าการรักษาศีลแปดการที่จะไปรักษาศีลแปดโดยที่ไม่รักษาศีลห้าไม่ได้ก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนอการจะรักษาศีลห้าได้ก็ต้องใช้เอาเงินที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เอาไปทําบุญทําทานแล้วจะทําให้ลดการอยากหาเงินหาทองมามาใช้ ก็ไม่จก็จะทำให้ไม่ต้องไปทำบาปในการหาเงินหาทองทำทานเพื่อจะทำให้เรามีกำลังรักษาศีลรักษาศีลห้าได้ก็จะทำให้เรามีกำลังรักษาศีลแปดได้เมื่อเรามีกำลังรักษาศีลแปดเราก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญสติได้สร้างสติขึ้นมาเพื่อมาหยุดความคิดการเจริญสตินี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่าง ต่อเนื่องด้วยไม่ใช่จะมาทําแต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวอันนี้จะไม่พอจะได้เพียงนิดเดียวเหมือนกับการที่เราจะจอดรถเนี่ยถ้ารถวิ่งมาเร็วเนี่ยสมมติเราจะจอดรถข้างหน้าที่สี่แยกไฟแดงเนี่ยเราต้องเริ่มเหยียบเบรกมาตั้งแต่ยังไม่ถึงสี่แยกไฟแดงถ้าเรามาเหยียบเบรกที่สี่แยกไฟแดงมันไม่มันไม่หยุดหรอก มันก็ต้องวิ่งผ่านสี่แยกไปเพราะว่ารถมันเร็วมันวิ่งมาเร็วอยู่ดีๆจะเหยียบปุ๊บให้มันหยุดปั๊บนี่ไม่ได้จิตของเราก็เหมือนกันมันเหมือนรถที่วิ่งเร็วมันคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่ดีๆพอมานั่งสมาธิมาเหยียบเบรคปุ๊บจะให้มันสงบเข้าสมาธิเลยนี่มันไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เวลากว่าที่จะหยุดความคิดได้ แล้สติของเราก็มีไม่มากด้วยดังนั้นเราต้องหยุดหยุดใจหยุดความคิดเหยียบมันเหยียบเบรกด้วยสติตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งถ้าเราค่อยคอยเหยียบเบรกอยู่เรื่อยๆคอยใช้สติหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆถึง แ, แม้ว่าจะไม่ได้หยุดเต็มที่แต่มันก็จะทําให้ความคิดมันน้อยลงมันเบาลงพอถึงเวลาที่เรามานั่ง เราก็จะสามารถหยุดมันได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลามากห้านาทีสิบนาทีมันก็นิ่งสงบได้ถ้าเรามีสติที่จะหยุดความคิดได้เั้นเราต้องฝึกสติทั้งวันให้มีสติอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆเราถึงจะสามารถมานั่งสมาธิแล้วทำใจให้สงบได้ร้อยเปอร์เซนให้นิ่งเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมา ต้องมีสติที่เป็นสัมปชัญญะคือสติต่อเนื่องไม่เผลอหรือเผลอก็น้อยมากมีการเหยียบเบรกอยู่เรื่อยๆแตะเบรกอยู่เรื่อยๆพอใจจะคิดฟุ้งซ่านก็หยุดมันพอใจจะคิดเรื่องที่ไม่จำเป็นม่ต้องคิดก็หยุดมันพอจะคิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันก็หยุดมันพอจะคุยกับตัวเองก็หยุดมันให้มันหยุดคิดให้มันคิดให้น้อยที่สุด เพราะว่าความคิดต่างๆเหล่านี้มันไม่มีประโยชน์กับจิตใจเลยมีแต่ทำให้ใจฟุง้งทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจเครียดได้ถ้าจะคิดก็คิดแต่เฉพาะเรื่องที่จำเป็นที่เป็นประโยชน์นะั้นคิดกับภารกิจการงานที่เรายังต้องทำอยู่ก็คิดไปถ้าไม่มีภารกิจการงานก็อย่าคิดดีกว่าถ้ามาอยู่วัดนี้ก็จะไม่มีภารกิจการงานต่างๆ กิจที่ต้องทำก็เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากเช่นการทำความสะอาดต่างๆหรือการรับประทานอาหารหรือการชำระร่างกายอาบน้ําอะไรต่างๆก็ใช้ความคิดน้อยเราสามารถใช้สติควบคุมไปกับการทำภารกิจต่างๆได้ควบคุมความคิดไปกับการทาภารกิจต่างๆได้การที่เวลาที่เรา ทำภารกิจต่างๆนี้เราก็ใช้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้เพราะลมหายใจมันจะดูยากเราก็ต้องเปลี่ยนกรรมฐานมาใช้คําบริกรรมพุทโธแทนก็ได้ให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธไปควบคู่ไปกับงานที่เรากําลังทําอยู่หรือมาเช่นั้นถ้าเราไม่อยากจะใช้คําบริกรรมเราก็ใช้งานที่เรากําลังทําอยู่นี่เป็นกรรมฐานก็ได้ให้เราดูการ การเคลื่อนไหวของร่างกายการการทางานของร่างกายว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทาอะไรอยู่กำลังอาบน้ำก็ให้เราอยู่กับการอาบน้ำเฝ้าเฝ้าดูให้ใจอยู่กับการอาบน้ำอย่าไปคิดเรื่องอื่นกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวก็ให้อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารแบบนี้ก็เป็นการใช้ใช้กรรมฐานควบคุมใจ เป็นการเจริญสติสร้างสติให้มาหยุดความคิดต่างๆได้ mm hmm. เราต้องมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งคอยกำกับใจตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมานี้ต้องมีกรรมฐานต้องมีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเราต้องทำงานก็ให้มีสติอยู่กับการทำงานถ้าเราไม่ต้องทำงานก็ให้มีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธไป ได้อยู่กับอิริยาบทการเคลื่อนไหวของร่างกายกำลังเดินก็เดินไปกับร่างกายกำลังยืนก็ยืนไปกับร่างกายให้ใจอยู่คู่ไปกับร่างกายอย่าให้ไปที่อื่นอย่าให้ไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าให้ไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับร่างกายไปไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราสามารถฝึกสติแบบนี้ได้เวลานั่งสมาธิ เราก็ดูลมหายใจเข้าออกได้หรือพุโทโธพุโทโธไปก็ได้แล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วภายในห้านาทีสิบนาทีใจก็นิ่งสงบได้เกิดความสุขขึ้นมาความสุขที่จะทําให้เราหายเหน็ดหายเหนื่อยจากการที่เราต้องคอยจเจริญสติหายเหน็ดหายเหนื่อยจากการที่ต่อสู้กับความอยากต่าง ความอยากที่อยากอยากจะกลับไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลพภะอยู่พอใจเราสงบแล้วความอยากเหล่านั้นจะหายไปหมดใจเราจะเบาจะเย็นจะมีความสุขขึ้นมาแล้วเราจะมีกําลังที่จะอยู่แบบนี้ต่อไปได้อยู่วัดต่อไปได้อยู่ตามลําพังได้ดยูปาอยู่ปราจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะได้เวลาออกจากสมาธิมาถ้าเกิดความหิวความอยาก ถ้าเรายังไม่ชำนาญในทางสมาธิเราก็ใช้สติหยุดความหิวความอยากไปก่อนหยุดความคิดไปก่อนแล้วก็กลับมานั่งสมาธิใหม่ทําไปจนกว่าเราจะชํานาญในการเข้าสมาธิแล้วท่านต่อไปเราก็ค่อยมาใช้ปัญญาเพราะถ้าเรายังใช้เข้าสมาธิไม่ชํานาญถ้าเราไปทางปัญญาเราต้องใช้ความคิดในการใช้ปัญญาถ้าเราคิดไม่ถูกเดี๋ยวใจมันก็จะฟุ้งขึ้นมาเราจะหยุด จะไม่หยุดคิดแล้วเราจะหยุดมันยากถ้าเราเข้าสมาธิไม่ชำนานแต่ถ้าเราเข้าสมาธิชำนานเวลาเราใช้ปัญญาพิจณาไตรลักษณ์พอมันเกิดฟุ้งขึ้นมาเราเห็นรู้ว่ามันไม่ได้เรื่องแล้วมันเริ่มไปคิดไปในทางกิเลสแล้วเราก็ดึงมันเข้ามาในสมาธิได้ทันทีหยุดมันได้ทันทีอันนี้ก่อนจะไปทางปัญญาต้องฝึกสมาธิให้ชนานาญก่อน ให้เข้าออกสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการหลังจากนั้นเราก็ไปทางปัญญาเวลาออกจากสมาธิมาสอนใจให้เห็นโทษของการทำตามความอยากว่ามันไม่มีวันจบถ้าทำตามความอยากแล้วมันจะอยากไปเรื่อยๆแล้วเวลาอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากมันก็จะทุกข์ขึ้นมาต่อไปใจก็จะไม่อยากไม่กล้าทาตามความอยากและสิ่งที่ความอยากอยากได้มันก็มันก็เป็นความสุขชั่วคราว เดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวก็ต้องหาใหม่เวลาหมดก็ทำให้เราทุกข์เวลาหาใหม่ไม่ได้ก็ทำให้เราทุกข์อีกงั้นการทำตามความอยากโดยสรุปก็คือการไปหาความทุกข์นั่นเองถ้าไม่อยากจะไปเจอความทุกข์ก็อย่าไปทำตามความอยากให้กลับมาทำใจให้นิ่งให้สงบจะดีกว่าให้ฝืนความอยากให้ได้แล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลัง แล้วมันจะไม่มาลบกวนใจเราอีกต่อไปใจของเราก็จะมีความสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องพึ่งพาอาศัยร่างกายต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายและเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ด้วยหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปนี่คือความสุขทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ท่งค้นพบแล้วเอามาสั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าเราปฏิบัติตามต่อไปเราก็จะมีความสุขแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าทึ่งตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ต้องมาเกิดเหมือนกับพวกเราเอีกแล้ว ถ้าเราปฏิบัติตามต่อไปเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทุกข์กันอีกต่อไปจึงขอให้ท่านจงเอาคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปพิจพิจารณาเพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสร้างความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยทถาวะริวาหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกปติอิติตังปัธิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ภราสุยทาสภิต so ิโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีคาโยโภภาอภิวัตนาสีลิสะนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมาวัฏานติอายุวโนสุขัง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 แล้วจะมีผู้อ่านคำถามให้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะทาง f a c e b o o สามร้อยสิบหกค่ะทาง y o u t u หนึ่งร้อยห้าสิบหกทางวิทยุออนไลน์สามสิบสองผู้รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยสิบห้าคนรวมทั้งหมดหก9้อยสิบเก้าคนค่ะก็ <c oughs> มีคำถามก็ส่งเข้ามาได้เลยค่ะคำถามจากคุณยานรัตโนค่ะ ผมอยากทราบว่าพระภูมิเจ้าที่มีจริงไหมถ้ามีจริงแล้วถ้าปัจจุบันบ้านไม่ค่อยมีคนอยู่ท่านจะยังอยู่ที่บ้านนั้นหรือเปล่าครับกลัวพวกสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนเข้าบ้านครับดีแล้วคือดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นอะไรต่างๆแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีศารพระภูมิให้เขาอยู่ เขาก็อยู่ของเขาก็ามีที่อยู่ของเขาไม่จําเป็นจะต้องสร้างสารประภูมิให้เขาเจ้า ท, าที่เจ้าทางเขาอยู่บางทีก็าอาจจะอยู่แถวนั้นบริเวณนั้นเขาก็อยู่ของเขาได้เราไม่ต้องไปสร้างสารประภูมิให้เขาอยู่เขาอยู่ตามบุญตามกรรมของเขาเดี๋ยวเขาหมดบุญหมดกรรมเขาก็ไปเกิดใหม่คําถามจากคุณธีรชาตค่ะ กราบนามัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่ารู้จักพี่คนหนึ่งฝึกสติเกือบตลอดทั้งวันสังเกตดูว่าแกจะเป็นคนที่ไม่ตกใจง่ายๆแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ชวนให้ตกใจแบบนี้พระอรหันต์ผู้มีสติเต็มร้อยจะไม่มีความตกใจหลงเหลืออยู่ใช่ไหมครับก็ต้องไปถามพระอารหันต์ดูดีกว่าหรือเราต้องเป็นพระอารหันต์เอ ง, เอง อันนี้เป็นคำตอบเป็นเรื่องสันติโกผู้ปฏิบัติต้องรู้ได้ด้วยตนเองแต่รู้ว่าการมีสตินี่มันช่วยได้เยอะช่วยให้เราไม่ตื่นเต้นตกใจไม่วู่ว่าจิตใจจาตั้งมัน่นมั่นคงหนักแน่นคำถามจากทางยูท b e ค่ะจากคุณสมศักดิ์หากว่ากระผมตั้งใจจะบวชอย่างไม่มีกำหนดสึก แล้วมีญาติญาติบางคนพูดบ่อยๆว่าเสียดายความรู้ความสามารถของกระผมเพราะถ้าไม่บวชจะทำงานเก็บเงินได้อย่างมากจะทำให้พวกเขาไปสู่อบายไหมครับอ๋อไม่หรอกเขาไม่ได้ทำบาปอะไรเพียงแต่ว่าเขายังหลงอยู่เขาก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปถึงพระนิพพานได้เขาก็ยังจะ ย, ยินยืนยินดีอยู่กับการหาลาบยศชรเสญร ส, รสุกัน เขาก็จะกลับมาเวียนไายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆคำถามจากคุณนัชลินค่ะการที่เราไปกราบไหว้องค์เทพต่างๆจะผิดในข้อาการละสังโยชน์ข้อวิกิวิจิกิจฉาหรือไม่อย่างไรถ้ากราบไหว้เพื่อขอขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ผิดเกิดถ้าต้องการให้เขามาดับความทุกข์แก้ปัญหาให้กับเรานี้ก็ผิด เขาแก้ให้เราไม่ได้ปัญหาความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเราต้องมาแก้ที่ความอยากของเราถ้าเราไม่มีความอยาก้วเราจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งหลายทั้งปวงคำถามจากคุณดิดีอค่ะถ้าเราเก็บโทรศัพท์ได้เราควรทำอย่างไรดีคะพระอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าเก็บได้ที่ไหน หาเจ้าของได้หรือเปล่าออถ้าไม่ได้ก็ต้องมอบให้กับออที่ใดที่หนึ่งที่เขาอาจจะคนหายอาจจะไปไปสอบถามเช่นไปให้กับถ้าวัดก็ไปฝากกับเจ้าหนี้ไทยเจ้าหน้าที่ทางวัดไว้ให้ทางวัดเขาประกาศแจ้งให้ใครที่หายโทรศัพท์ให้มารับได้ที่ทางวัด หรือว่าให้ไปให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนระือใครก็ได้ถ้าเราเก็บไว้เองนี้ก็จะถือว่าเป็นเหมือนกับเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตถ้าต้องการส่งคําถามก็ช่วยรับคําถามให้หน่อยอถ้าเราไม่รู้จะอไปไว้ที่ไหนก็วางไว้ตรงที่เราเห็นนั่นแหละปล่อยให้คนอื่นเขาจัดการเองเดี๋ยวคนอื่นเขามาเห็นเขาก็เขาก็จัดการ คำถามจากคุณแสงเดือนค่ะทำไมคนเราถึงมีชาติแรกคะและเรามีชาติแรกได้อย่างไรคะไม่มีหรอกคำว่าชาติแรกไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนชาติคือการเกิดแก่เจ็บตายนี้พระพุทธเจ้าเคยย้อนระลึกชาติต่างๆกลับไปก็ไม่ไม่ได้เจอชาติแรกมันมีชาติอยู่เรื่อยๆของมันเรฉนั้นการเวียนว่ายตายเกิดนี้ท่านบอกว่าหาจุดเริ่มต้นไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดมา หรือว่ามันมันอยู่ไกลแสนไกลก็ไม่รู้นะไม่สามารถย้อนไปหามันได้แต่มันไม่ใช่ประเด็นสําคัญในเรื่องของการจะมีชาติแรกหรือไม่มีชาติแรกประเด็นสําคัญก็อยู่ที่ว่ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่หรือเปล่าถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็หยุดมันเสียซึ่งตอนนี้มีวิธีหยุดมันมีคนสอนต่อไปอาจจะไม่มีคนสอนก็ได้เพราะว่า ชาติต่อไปเรากลับมาเกิดอาจจะไม่มีคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลงเหลืออยู่ในโลกนี้เราก็จะไม่รู้จักวิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ตอนนี้มีคําสอนมีคนสอนถ้าเราไม่อยากจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเราก็รีบปฏิบัติตามคําสอนเท่านั้นแหละไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องชาติชาติชาติแรกว่าอยู่ที่ตรงไหนเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ รู้ไปก็เท่านั้นรู้ไปก็ไม่ได้มาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้คำถามจากคู่ฝากถามค่ะเราจะปล่อยวางตัวรู้ได้อย่างไรครับออตัวรู้เราไม่ต้องปล่อยวางให้ตัวรู้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสปล่อยวางราบยศจันละเสริญปล่อยวางคนนั้นคนนี้ตัวรู้ไม่ต้องปล่อยให้ตัวรู้ปล่อย เพราะตอนนี้ตัวรู้เป็นผู้ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราต้องใช้ธรรมะมาสอนตัวรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราสิ่งต่างๆที่เป็นของเราวันข้างหน้ามันจะไม่เป็นของเราให้คิดอย่างนี้เราตัวรู้จะได้ปล่อยวางคําถามจากทาง facebook ค่ะจากคุณชัยค่ะเวลานั่งสมาธิอาการวูบว่าเหมือนร่างกายโครงเเคง เป็นอาการปกติของการนั่งสมาธิใช่ไหมครับเป็นปกติของการนั่งสมาธิแบบไม่มีสติถ้าไม่มีสติมันก็จะมีอาการต่างๆขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางใจถ้ามีสติแล้วจะไม่มีอาการต่างๆร่างกายก็จะนิ่งอาการต่างๆที่ปรากฏในใจก็จะไม่มีถ้าไม่มีสติแล้วเดี๋ยวบางทีร่างกายก็ เคลื่อนไปเคลื่อนมาบางทีก็มีอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจซึ่งเป็นการนั่งแบบไม่ถูกวิธีไม่นำไปสู่ผลคือความสงบได้ต้องนั่งแบบมีสติต้องดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆหรือพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดจนกว่าจิตจะสงบมันถึงจะหยุดเองคำถามจากคุณวิค่ะนั่งนั่งให้ได้สมาธิขนาดไหนเจ้าคะ เราถึงจะสามารถเจริญปัญญาได้เจ้าค่ะอ๋อมันก็ต้องได้เต็มร้อยถึงจะได้ถึงจะใช้ปัญญาได้เต็มร้อยถ้าได้ห0สก็ได้ใช้ปัญญาได้แค่ห0สคือเปรียบเทียบให้ฟังปัญญานี้เป็นเหมือนมีดส่วนสมาธินี้เป็นเหมือนอาหารให้กับคนที่จะใช้มีดคนที่จะใช้มีดต้องกินอาหารให้อิ่มถึงจะมีกำลัง พอมีกําลังก็สามารถเอามีดนั้นไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ถ้ากินอาหารเพียงห้อร์ซนก็จะมีกําลังเพียงห้เอร์ซก็จะใช้มีดได้เพียงห้าสิบเซนอยู่ที่สมาธิถ้ามีสมาธิมากปัญญาก็จะสามารถตัดกิเลสได้มากถ้ามีสมาธิน้อยก็ตัดกิเลสได้น้อยคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ทำบาปด้วยกิเลสไหนครับไปเกิดเป็นสัมภเวสีครับโดยความคำว่าสัมภเวสีมันเป็นอะไรเป็นตัวที่ไปเกิดผู้ที่ยังไปพูดที่ยังไปเกิดอยู่หรือถ้าหมายถึงเปรตถ้าสัมภเวสีหมายถึงเปรตก็ทําบาปด้วยความโลภถ้าสัมภเวสีที่เป็นอสุรกายก็ทําบาปด้วยความกลัวถ้าสัมภเวสีที่ทำที่ไปนรกก็เรียกว่า ทำบาบด้วยความอาฆาตพยาบาทคำถามจากคุณโอวัตค่ะแม่ผมเอาเงินที่ลูกๆให้ไว้ใช้เอาไปทำบุญหมดโดยไม่เก็บออมไว้ใช้เลยแกบอกว่ายิ่งทำยิ่งได้บุญมากจะทำอย่างไรครับอยากให้ท่านปฏิบัติธรรมแต่ท่านไม่เอาเลยก็ตอนนี้ท่านยังอยู่ระดับทานก็ไหว้นั้นทำทานไปก่อน แล้วต่อไปท่านก็จะขยับขึ้นระดับศีลระดับปฏิบัติธรรมต่อไปอันนี้เราไปบังคับไม่ได้เหมือนเด็กที่เรียนหนังสือยังอยู่ในชั้นอนุบาลเราจะไปจับให้เขาไปเรียนชั้นปฐมนี่ยังไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาของเขาเมื่อถึงเวลาของเขาแล้วเขาก็จะไปของเขาเองคำถามจากคุณวิชัยค่ะมีวิธีอย่างไรจะโน้มน้าวให้บุพการีเข้าสู่ธรรมะ ฟังเทศฟังธรรมเหมือนผู้สูงอายุทั่วไปอยากให้ท่านมีความสุขครับปัจจุบันท่านไม่สนใจไฝ่ธรรมเลยเ อ, อ๋อก็ต้องชวนท่านไปวาดไปฟังเทศฟังธรรมอยู่บ้านก็เปิดธรรมะให้ท่านฟังไปส่วนท่านจะสนใจไม่สนใจนี่ก็เป็นเรื่องของท่านเราก็ทําได้เท่านี้แหละคาถามจากคุณสันจิธาค่ะอยากมีสมาธิฝึกอย่างไรคะก็ต้องฝึกสติก่อน ต้องมีสติอยู่ก่อนที่จะมานั่งสมาธิต้องคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดไปก่อนแล้วพอมีเวลาว่างไม่ต้องทำอะไรก็มานั่งสมาธิต่อต้องฝึกสติหยุดความคิดไปเรื่อยๆโดยการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปโดยด้วยการใช้ดูเฝ้าดูร่างกายไปว่าตอนนี้ร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็คอยเฝ้าดูไปเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องอื่น แล้วต่อไปเวลาพอมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิใจก็จะสงบได้คําถามจากคุณแม่หญิงค่ะการปฏิบัติธรรมเราสามารถประเมินความก้าวหน้าโดยการรู้ว่าใจเรามีสติทันต่ออารมณ์ใดๆได้มากขึ้นประการหนึ่งมีศิลห้าครบประการหนึ่งนอกจากนี้ประเมินจากสิ่งใดอีกบ้างเจ้าคะก็มีความสงบความสุขมากขึ้น ความสงบทางใจที่เกิดจากความความสุขทางใจที่เกิดจากความสงบนั่งสมาธิได้นานขึ้น เ, เบื่อทางโลกมากขึ้น เ, เบื่อการไปเที่ยวไปเตะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย <c oughs> เบื่อเพื่อนฝูงเบื่อกิจกรรมทางโลกเรรู้สึกว่ามันวุ่นวายหนอมันยุ่งเรื่องมากกว่าความสุขได้นิดเดียวกว่าจะได้นดต้องวุ่นวายกัน ต้องเตรียมตัวกันแล้วพอได้มาปั๊บแล้วก็หมดหมดแล้วก็ปล่อยให้เราหิวว่างอ้งางว่างเป่าเปี่ยวต่อไปมันก็จะเบื่อมันจะชอบความสุขทางความสงบเพราะทำให้อิ่มใจไปเรื่อยๆไม่ต้องวุ่นวายไปกับใครไม่ต้องยุ่งกับใครอยู่คนเดียวก็ไม่เหงามีความสุขคำถามจากคุณวุฒชัยคะ่ะการใส่บาตรกับร่วมบุญกระถินหรือผ้าป่าเป็นอันเดียวกันหรือคนละอย่างครับ แล้วอันนี้ส่งอะไรมากกว่ากันครับเหมือนกันเน่เป็นการทำทานเป็นการบริจาคทรัพย์ของเราให้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นถ้ะถิ่นก็จะทำให้มีผ้าให้ผ้าสงได้หุม้มมีได้ได้เป็นเครื่องนุ่งหม่มถ้าสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็จะได้มีสถานที่ไวไวศึกษาไว้ปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ผู้ให้คือผู้บริจาคทรัพย์ก็เหมือนกัน แต่ประโยชน์ก็เกิดในเร่ในลักษณะต่างกันไปแต่บุญที่เกิดจากการบริจาคเหมือนกันคำถามจากคุณเอสเจค่ะคำว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยเต็มร้อยต้องได้โสดาพันต์ก่อนไหมคะกรณีที่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามเห็นจริงตามที่สอนถือว่าศรัทธาเต็มร้อยหรือยังคะ ก็ถามตัวเองดูว่าเรากันอันนี้ตอบไม่ได้มันเรื่องสันติโกถ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมคำสอนเป็นคำสอนที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามคำสอนได้ก็จะบรรลุเป็นพระสงฆ์สาวกขึ้นมาได้อันนี้มันต้องรู้อยู่ในใจของเราเองคำถามจากคุณวิค่ะนั่งสมาธิอย่างไรจึงจะทนทุกขเวทนาจากการปวดได้เจ้าคะ มีวิธีใดบ้างคะก็ให้มีสติอยู่กับคำบริกรรมพุทโธเวลาเกิดความปวดก็ไม่ส่งจิตไปหาความปวดให้อยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจิตก็จะผ่านความเจ็บของทางร่างกายได้เข้าสู่ความสงบได้คาถามจากคุณสันจิตาค่ะควบคุมจิตไม่ได้ฝึกอย่างไรคะก็เนี่ยแหละให้จรันสติให้พุทโธอยู่เรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจคิดคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้อยู่กับพุโทโธพุทโธหรือให้อยู่กับการทำงานต่างๆของทางร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำทางร่างกายหมดแล้วเลยหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวจะรีบปิดประชุมเพราะว่าฟ้า ม, มืดนะเดี๋ยวกลัวจะฝนจะตกเดี๋ยวจะมีปัญหานะไว้วันหลังค่อยถามต่อนะเดี๋ยประมาณสักสิบกว่านาที เดี๋ยวถ้าพูดต่อไปหรือรอให้คำถามเข้ามาเดี๋ยวฝนตกนี่ทําท่าจะมาละเริ่มมืดละงั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่น